เป็นไงดีไหมสภาพจิตใจ ม, มีสติมีปัญญาเลยคอยดูแลรักษาเปา่สติมีไว้หยุดอารมณ์ต่างๆปัญญามีไว้สำหรับกำจัดอารมณ์สติหยุดแต่ปัญญาจะกำจัด ถ้าไม่มีอารมณ์แล้วก็สบายอารมณ์ก็เกิดจากการผลิตของเราเองเกิดจากความคิดความรู้สึกต่างๆมีความรู้สึกแล้วก็ผลิตอารมณ์ต่อสิ่งที่เราในความรู้สึกถ้ามีสติก็หยุดมันมีปัญญาก็กำจัดมันอยู่แบบไม่มีอารมณ์ดีกว่า อยู่แบบไม่มีอารมณ์มันสบายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเแบาบอกเบาใจสบายอกสบายใจกับทุกเรื่องทุกเหตุการณ์กับทุกคนไม่ว่าเจอใครเจอเหตุการณ์อะไรใจจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรูบร้ แบบตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีอารมณ์กันสบายไหมนั่งอย่างนี้ไม่มีอารมณ์ใจไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วิตกไม่กมังวลแต่มันเป็นเพียงพักๆเวลาที่เราอยู่คนเดียวมันมักจ ะ, ะไม่ค่อยมีอารมณ์มากแต่พอเราไปสัมผัสกับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์มันก็จะเกิดขึ้นมา แล้วเราก็ถูกอารมณ์เป็นตัวกดดันให้เราต้องไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำถูกบ้างทำไม่ถูกบ้างทำผิดก็เกิดโทษตามมาอารมณ์ไม่ดีพูดไม่ดีออกไปคนที่เขาฟังเขาก็รับไม่ได้ก็เสียเพื่อนไปเสียคนที่ดีๆกับเรา ตอนเรายังไม่รู้จักหยุดอารมณ์ไม่รู้จักกําจัดอารมณ์เราต้องมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เรารู้จักคอยหยุดคอยกําจัดตอนต้นก็หยุดก่อนเพราะหยุดมันง่ายกว่ากําจัดหยุดก็เพียงแต่ใช้สติเพราะรู้ว่ามีอารมณ์ ก็หยุดมันแต่มันก็หยุดเป็นได้เป็นชั่วคราวพอเราไม่มีสติเราปล่อยสติเพลิสติอารมณ์ก็กลับขึ้นมาใหม่ถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะสามารถกำจัดอารมณ์ต่างๆได้อย่างถาวรแต่ปัญญานี่มันยากเหมือนกับเรียนแพทย์เนี่ย เรียนที่จะให้เข้าใจการทำงานของร่างกายมันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันหลายเรื่องหลายด้านต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลถึงจะเข้าใจท่างปัญญาก็ลักษณะนั้นังั้นเบื้องต้นพรูเจ้าสอนให้เราใช้สติไปก่อนฝึกสติก่อนอ การจะใช้ปัญญาได้จิตเราก็ต้องอว่างจากอารมณ์ต่างๆถ้าไม่ว่างจากอารมณ์จิตเราจะาไม่สามารถใช้เหตุใช้ผลได้เพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวเป็นตัวบังคับทำให้ไม่ไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่เห็นความความจริงของสิ่งต่างๆ เบืงต้นต้องใช้ใช้ใสติหยุดอารมณ์แล้วพอใจเราเย็นอย่างสบายตอนเนี้ตอนนี้เราไม่มีอารมณ์เรานั่งฟังเทศได้เพราะเร า, เราไม่มีอะไรจะมาคอยกดดันใจให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรายังมีอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวฟังเทศฟังอะไรก็ฟังไม่เข้าใจเรียนหนังสือก็ไม่เข้าใจ เวลามีอารมณ์อ่านหนังสือก็อ่านไม่เข้าใจเพราะอารมณ์มันจะม า, ากรบหนังสือที่เราดูอยู่จิตมันจะอยู่กับอารมณ์อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ดันั้นการใช้ปัญญานี้ต้องมีจิตที่ปราศจากอารมณ์ถึงจะใช้ปัญญาได้นั้นในเบื้องต้นเราต้องทําจิตให้ไม่มีอารมณ์ ด้วยสติก่อนอารมณ์ก็เกิดจากเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเห็นแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงวิตกกังวลเราต้องพอมีอารมณ์เหล่านี้เราต้องใช้สติหยุดใจเรา <c oughs> <SE> ใจเราเป็นผู้ผลิตอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาด้วยความคิดพอเห็นอะไรแล้วก็คิดไปว่าดีไม่ดีพอเกิดดีไม่ดีขึ้นมาก็เกิดรักชังขึ้นมาเกิดกลัวหลงขึ้นมาพอไม่มีพอมีอารมณ์ไม่ดีนี่เราต้องใช้สติหยุดไลยบางทีเกิดโรคโกรธเกิดความโกรธขึ้นมา ได้ยินใครก็พูดอะไรก็เสียใจน้อยใจโกรธเห็นอะไรอยากได้ก็โลภไม่มีกระจิกกระใจจะทําทอะไรคิดอยากจะได้สิ่งนั้นก็พยายามหาวิธีจะทำยังไงให้ได้สิ่งที่อยากได้อารมณ์เหล่านี้เราควรที่จะใช้สติหยุดมันตอนนี้เราไม่มีสติกัน เราเลยหยุดอารมณ์ต่างๆไม่ค่อยได้หยุดได้บ้างหยุดไม่ได้บ้างอยู่ที่กําลังของสติสติก็เป็นเหมือนเบรกลดรถย์ถ้าเบรกดีเหยียบเหยียบแป๊บรถก็จอดหยุดได้ถ้าเบรกไม่ดีเหยียบแล้วมันก็ยังวิ่งต่อไปอันนี้เราสิ่งที่เราขาดกันมากก็คือสติที่จะคอย ควบคุมอารมณ์ต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆเราควรจะให้ความสำคัญต่อการสร้างสติกันเพราะถ้าเรามีสติแล้วเราจะควบคุมอารมณ์เราได้แล้วเราก็จะควบคุมการพูดการกระทำการคิดของเราได้ไม่คิดไปนในทางที่ไม่ดี ไม่พูดไปในทางที่ไม่ดีไม่กระทำในทางที่ไม่ดีเพราะพอพูดไปแล้วทำไปแล้วในทางที่ไม่ดีโทษก็จะตามมาเรื่องราวต่างๆก็ตามมาปัญหาต่างๆก็ตามมาแต่ถ้าเราละงับอารมณ์ได้เราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเวลาโกรธนี่ถ้าพูดออกไปนี่มันจะพูดไม่ดีจะทาไม่ดี แต่ถ้าเราควบคุมมันได้ไม่ให้มันโกรธเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ถ้าทำก็ทำทำในสิ่งที่ดีพูดดีทำดีนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกกันมาฝึกสร้างเบรคของใจคือสติให้มีกำลังพอเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามก็หยุดมันได้ วิธีเจริญสติก็คือให้เราแล้วึกถึงอารมณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในใจเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ท, ท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจหัดท่องไปเรื่อยๆเหมือนกับพัดท่องสูตรคูณเหมือนกับเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือเราก็ต้องคอยท่องหนังสือที่เราเรียน พิ่งเป็นหมอนี่ต้องท่องเยอะแยะเลยท่องชื่อต่างๆของอาการของร่างกายท่องไปท่องไปเวลาเรียนหนังสือถ้าท่องกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเราใช้พุโทโธนี่มันก็จะมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้าท่องที่เป็นเรื่องเนลามันก็ยังทำให้เกิด เรื่องราวไปในใจได้อยู่ถ้าท่องสิ่งที่ไม่มีเรื่องมันก็จะไม่มีเรื่องปรากฏขึ้นมาท่องพุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดชีวิตเรานี้ไม่ได้คิดตลอดไม่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา<ม>แต่เราคิดกันตลอดเวลาคิดได้คิดกับเรื่องไร้สาระคิดเรื่องเพ้อเจ้อคิดกับเรื่องของกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆที่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจนีแต่จะทําให้จิตใจเราว้าหุ่นขุนมัวทําให้จิตใจไม่สุขไม่อิ่มไม่พอถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธไปนี้ความคิดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลาใจเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายมีความสุข เราหัดควรเจริญพุทธโธกันถ้าใช้คํำปริกรรมกบพุทธโธหรือคาอื่นก็ได้ทำโมก็ได้สังโคก็ได้อ๋อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคอยกั้นไม่ให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาความคิดของเราส่วนใหญ่มันเป็นความคิดไปในทางที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีอารมณ์ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาโลภ ก, ก็ร้อน โกรธก็ร้อนหลงก็ร้อนนานๆเราจะคิดไปในทางที่ดีสักครั้งนึงส่วนให ญ, ญ่จะคิดไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราหิวทำให้เราอยากทำให้เราลำคาญทำให้เราหงุดหยียดทำให้เราว้าเวทำให้เราเศร้าส้อยหงอยเหงา ทำให้เราท้อแท้เบื่อนายเกิดจากความคิดของเราทั้ ง, งนัน้นอารมณ์เหล่านี้เราคิดแบบให้มีกำลังใจคิดแบบให้เบิก บ, บานคิดไม่เป็นกันชอบคิดให้เศร้าหมองกันเราจึงต้องมาหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราคิดไปในทางที่ดีหรือถ้าคิดไปในทางไม่ดี ที่ไม่ดีก็ให้หยุดมันหยุดมันแล้วก็บังคับให้มันคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ดีแล้วมันก็จะมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสุขนี่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้กัน เราไม่รู้ว่าเราสามารถผลิตความสุขให้กับเราได้โดยที่ไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้เรามีความสุขเราก็เลยไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นความสุขปลอมก็สิ่งความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆพอได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปละพอหายไปความทุกข์ก็เข้ามา ต้องไปหามามาดับความทุกข์ใหม่เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปอยากจะไปดูอะไรอยากไปฟังอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนพอไปดูไปฟังไปเที่ยวก็มีความสุขกันแต่พอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบันไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังไม่มีอะไรให้เที่ยวก็รู้สึกเหงาขึ้นมาอีกนะรู้สึกว้าวเวยอยากจะออกไปเที่ยวใหม่อยากจะออกไปดูไปฟังใหม่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขเพราะมันเป็นการาทำให้ใจเราติดกับการหาความสุขแบบนี้แล้วพอเราไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เราก็เศร้า เคยไปเที่ยวได้พอวันไหนไม่มีเงินไปเที่ยววันนั้นก็เศร้าเคยมีเพื่อนพอวันไหนไม่มีเพื่อนก็เหงาสู้เรามาหาความสุขแบบที่เราไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องไปเที่ยวดีกว่าคือมาทำใจเราให้ว่างอย่าให้คิดใช้พุโทโธพุโทโธไปพอเราไม่คิดถึงเพื่อนไม่คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว เราก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวแต่พอคิดปั๊บก็อยากจะเจอเพื่อนอยากจะไปเที่ยวพอไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวก็ว้าเวเหงาขึ้นมาถ้าเรารู้จักใช้พุโทโธพุโทโธนี่พอเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเือยู่วสักพักหนึ่งอารมณ์มันก็หายไปพอมันหยุดคิดทะนี้ สิ่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ว้าวเว้ขึ้นมานี่แหละประโยชน์ของการเจริญสติใช้พุโทโธพุโทโธไปท่องไปเรื่อยๆนืมตาขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมานืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยไปอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรืเ่อยเปื่อย อยาคิดไปในทางความโลภทางความอยากแล้วจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาพอมีความโลภความอยากนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำเพราะมันไม่ทันใจนะแล้วพอไม่ได้ดังใจก็โกรธไม่เสียใจได้มาแล้วเดียวเดียวมันก็ความสุขที่ได้มาจากการทำตามใอยากได้มาเดียวเดียวมันก็หมดไปลนะ เดีย๋ยวก็เกิดความอยากอย่างในเรื่องอื่นต่อไปอยากได้เรื่องนี้พอได้เรื่องนี้เสร็จแล้วก็อยากได้สิ่งนั้นต่ออยากได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากไ ด, ได้เรื่องนั้นต่อมันก็จะคว้าไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาแล้วก็หมดความหมายไปอยมางงี้ยหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อพอหาไม่ได้ก็ทุกข์ ในพอเสียสิ่งที่ได้มาไปก็ทุกข์เสือมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรดีกว่าทำใจให้ว่างแล้วใจเราจะมีความสุขอย่าให้คิดถึงเรื่องนันเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแล้วใจจะเบาใจจะสบายใจจะไม่ร้อนใจจะเย็น ใจจะอิ่มแต่ไม่หิวไม่โหยบางทีถึงเวลากินข้าวก็ยังไม่อยากกินเพราะใจไม่หิวแต่ก็บังคับให้มันกินได้กินด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้กินด้วยความอยากกินกินเหมือนกินยากินเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปแล้วก็กินตามปริมาณที่ร่างกายต้องการไม่กินมาก เหมือกับถ้ามีความอยากนี่มันจะกินมากกว่าความต้องการของร่างกายร่างกายมันก็จะพองกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ต้องมามีปัญหาต้องมาลดน้ำหนักกันต้องไปวิ่งไปเต้นกันวิ่งเต้นเสร็จก็หิวอีกก็ต้องไปกินอีกมันก็ไม่ใช่วิธีแก้ ต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความอยากความคิดคิดถึงขนมน ม, นมเนยคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมาต้องอย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปเราจะชอบเราจะคิดแต่พุโทโธพุธโทโธไปเพราะคิดแล้วมันเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่มีอะไรมาคอยกดดันใจให้ไปหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มา หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยังอยากต้องหาอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ถ้าเราทําได้แล้วรับเราหน้าว่าชีวิตเหล่านี้จะเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหนังมือไปเป็นนี้กลายเป็นคนนี้คนหนึ่งไปจากคนที่โลภโมโทสันจะเป็นคนที่เยือกเย็ยนสุขขุมเออ่ มีความเอือเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนกับคนที่มีโรคโมโทสันนี่จะไม่เอือเฟื้อเผื่อแผ่จะคิดแต่ถึงประโยชน์ใส่ตนของง่ายๆคำเดียวพุโทโธทำไมจะทำไม่ ไ, มได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทั้งวันยังคิดได้ ไห้คิดแต่พุโทโธคำเดียวทำไมจะคิดไม่ได้ถ้าจะคิดจริงๆลองตั้งใจจริงๆสักวันวันนี้จะไม่คิดอะไรจะเอาพุโทโธอย่างเดียวดูดูว่มันจะเป็นยังไงเอาจริงเอาจังกันอย่าทำเล่นๆเพราะมันมันเป็นของจริงทำแล้วได้ประโยชน์จริงๆดีกว่าไปหาเงินทองมาร้อยล้านพันล้าน ความสุขที่ได้จากเงินทางร้อยล้านพันล้านก็สู้การความสุขที่ได้จากพุทโธไม่ได้ความสุขที่ได้จากพุทโธเบา อ, อกเบาใจเย็นอกเย็นใจสบาย อ, อกสบายใจอิ่มใจไม่หิวความสุขที่ได้จากร้อยล้านพันล้านนี่วุ่นวา ย, อยาเอาเงินไปใช้ที่ไหนเอาเงินไปเก็บที่ไหนเราก็ต้องคอยลหลบห น, น, นีคนนั้นคนนี้ ท wow ah ี่จะมาขอส่วนแบ่งแล้วก็ต้องมาว่าระวังเดี๋ยวเจอไปไหนมาไหนจุกเขาจับเป็นเรียกตัวรักค่าถ่ายหรือเปล่ามีเงินนันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมานะเาเรียกทุกขลาภมีเงินร้อยล้านพันล้านนี่แทนที่จะมีความสุขความเบาอกใบาใจสบายอกสบายใจนี่หายไปหมด มีแต่ความหนักอกหนักใจมีแต่ความวิตกกังวล yeah. mm hmm. นี่แหละคือความจริงที่พวกเราไม่ค่อยคิดกันไม่ค่อยมองเห็นกันเพราะถูกอารมณ์ความโลภมันหลอกเราหลอกให้เราคิดโอ้ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เราจะมีความสุขหน้าอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ yeah. อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ yeah. พอทำไปสักพักซื้อไปสักพักมันก็เบื่อซื้ออะไรมาทำอะไรมามันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ทำให้เราอิ่มมันก็ยังทำให้เราหิวเราอยากอยู่เหมือนเดิมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกให้เรารู้ถึงความวิเศษของการควบคุมใจ ของการของการหยุดหยุดอารมณ์หยุดความคิดต่างๆว่าจะนำความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เป็นความสุขที่สบายไม่วุ่นวายไม่เนือไม่วิตกไม่กังวลแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปพึ่งกับไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปอาศัยใคร อาศัยสติตัวเดียวอาศัยพุโทโธตัวเดียวหัดลองทำดูพุโทโธก็ไม่ต้องนานหรอกพอจิตมันไม่คิดอะไรเราก็หยุดได้เหมือนรถ่ะถ้ามันวิ่งเราก็หยุดแล้วก็เหยียบเบรกไว้พอมันไม่วิ่งเราก็ปล่อยถอดเบรกอถ้ามันวิ่งแล้วก็หยุดมันใหม่เหยียบใหม่ บางต้นก็ต้องพูดโธบ่อยหน่อยเพราะมันไม่ยอมหยุดคิดแต่พอมันหยุดคิดหยุดสร้างอารมณ์แล้วเราก็เราก็หยุดพูดโธได้พอจิตว่างจิตหยุดคิดเราก็หยุดพูดโทได้เดี๋ยวมันเผลอคิดใหม่แล้วก็พูดโทใหม่ต่อไปมันก็จะไม่คิดเป็นส่วนใหญ่พูดโธก็ไม่ต้องพูดโธตลอดเวลามันจะพูดโทช่วงแรกๆเท่านั้นที่ต้องพูดโธบ่อย พราจิตมันกําลังคิดมันไม่หยุดเหมือนรถที่วิ่งเร็วเนี้กว่าจะหยุดมันได้ต้องเหยียบเบรกนานหน่อยพอเหยียบจนกระทั่งมันหยุดได้ทีนี้ก็ปล่อยเบรกได้พอมันไหลแล้วก็เหยียบได้เหยียบปั๊บมันก็หยุดปับ๊บตอนต้นต้องขยันพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะว่างมันจะเย็ น, นจะสบายแล้วก็หยุดพุดโทโธ แล้วเดี๋ยวมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วก็พุโทโธใหม่พอเริ่มคิดเริ่มอยากเริ่มรักเริ่มชังเริ่มกลัวเริ่มหลงก็พุโทโธใหม่ฝ่กไปมีเวลาว่างก็นั่งเพราะมันจะทำให้จิตสงบมากกว่าเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆเวลาทาสิ่งต่างๆมันอาจจะสงบประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปนี่ มันจะสงบร้อยเปอร์เซ็นตมันจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงคนที่มีความสุขจากการทําใจให้สงบแล้วไม่ต้องมีเงินดูพระพุทธเจ้านะเคยเป็นพระราชะโอรสมีประสาทสามเรื่องดูพอได้ความสงบแล้วไม่เอาเลยอยู่แบบขอทานได้อย่างสบายเี่ย มีสมบัติแค่แปดชิ้นก็พอมีบาดไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีบาดไว้หาอาหารมีมีตายจีวรไว้เป็นเสื้อผ้านุ่งหมมีมีกรนไว้สำหรับกนศีสะกนหนวดกนผมมีเข็มกับด้ายไว้สำหรับซ่อมจีวรแค่นี้พอละชีวิตของคนที่มีความสุขในใจคนที่มีความสงบไม่ต้องมีอะไร อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเนือ้อผ้าอยู่ตามทถ้งสบายไม่ต้องวุ่นวายแต่คนที่ไม่มีความสุขข้างในใจต้องออกไปหาความสุขข้างนอกก็วุ่นวายหากันบ้านก็ต้องสร้างกันแบบพิสดารเสื้อผ้าก็ต้องพิสดารอะไรก็ต้องพิสดาร ถ้ามันธรรมดาธรรมดาหรือมันรูน้สึกว่ามันสเสียงหอมันเข้ามามันก็เลยทำให้หอนเราต้องฟังเทศฟังธรรมเราถึงจะได้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราเป็นเหมือนเด็กเด็กเด็กๆนี่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ คอยสอนคอยบอกเด็กจะไม่รู้ไม่รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเป็นเด็กๆ ก, ก็คิดว่าเล่นดีเที่ยวดีไม่รู้ว่าการเรียนดีก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยคอยสอนคอยบอกคอยบังคับให้เรียนไม่ให้เล่นมากไม่ให้เที่ยวมากอันนี้เหมือนกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยบอกเราเราก็จะไปคิดว่าการมีเงินทองมีสิ่งต่างๆนี้เป็นของดีมีความสุขกันแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์พอเราได้อะไรมาแล้วเวลาเราเสียไปเป็นยังไงเสียอกเสียใจนหะมเรามองไม่เห็นตอนเสียเราเห็นแต่ตอนได้ เวลาเราอยากได้เราจะคิดว่าโอ้ได้สิ่งนั้นมาได้คนนี้มาแล้วแหมจะมีความสุขแต่เราไม่มองว่าเวลาเขาจากเราไปหรือเวลาเขาเปลี่ยนไปนี่เป็นยังไงความสุขที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ของที่ซื้อมาใหม่ๆใช้ได้ดีพอมันเสียนี่ก็ปวดหัวละต้องเอาไปซ่อมคนที่ได้มาใหม่ๆก็ดีเอาอกเอาใจเรา พ เ, เดี๋ยวต่อไปเขาเปลี่ยนเขาไม่เอาอกเอาใจเราเราก็เสียใจนะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนเดิมอันนี้คิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญานี่มันจะหยุดอารมณ์ต่างๆได้อย่างถาวรหยุดความโลภหยุดความอยากหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้อย่างถาวร ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นปัญญาจะสอนให้เราว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราได้มาแนละ้วมันจะเหมือนเดิมทุกวันของทุกอย่างพอตอนต้นได้มามันก็ใหม่ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เก่าพอเก่าเราก็เบื่อเราก็อยากจะได้ของใหม่อ ของเก่าก็ไม่มีความหมายไปยังไม่ทันจากเราไปบางทีเราก็อยากใช้มันจากเราไปแล้วเพราะเราเบื่อมันหรือถ้าเรายังไม่เบื่อมันถ้ามันจากเราไปเราก็เสียใจถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็อย่าเอามันดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับพุทธโธดีกว่า มันต้นฝึกพุทธโธให้เรามีความสุขกับการอยู่กับความว่างแล้วทั้นต่อไปก็สอนใจให้ถอนความอยากในสิ่งต่างๆให้หมดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากก็บอกว่าได้เป็นของชั่วคราวได้แล้วก็เดี๋ยวก็หมดไปหมดก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็ทุกถึงถ้าหาได้มาแล้วถ้าเสียไปก็ทุกอีก นี่คือสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันไปในที่สุดได้สมบัติมากี่ล้านกี่พันกี่แสนเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้แนมะ้แต่บาทเดียวได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรเวลาตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย เวลาตายก็ร้องขมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าไม่มีอะไรนีเวลาไปสบายไม่มีอะไรต้องเสียดายพระพุทธเจ้ามีแค่บาดใบเดียวท่านไม่เสียดายเวลาท่านตายมีบาดใบมีจีวรมีใบมีโกนมีมีโกนอยู่อันนึงมีเข็มขัดรัดเอวอยู่เส้นหนึ่งมีเข็มกลับได้มีที่กองนะพระพุทธเจ้ามีสมบัติเท่านั้นแปลกจิ เรียกว่าอัฐบริขารนักบวชทั้งหลายเขาก็มีแค่นี้มีแค่สมบัติแปดชิ้นของเหล่านี้เขาเอาไปไม่ได้เขาก็ไม่กังวลเขาก็ไม่เสียดายเพราะของที่เขาเอาไปได้มีคุณค่าราคากว่ามากกว่าของที่เขาเอาไปไม่ได้ของที่เอาไปได้ก็คือบร ม, มสุขเนี่ยนิบานังปรมังสุขขังเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกเนี่ยท่านเอา นิพพานคือความสงบไปความสงบที่เป็นบรล ม, มสัสุอันนี้ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้พัดท่าจากเราไปได้เป็นของเราติดตัวกับเราไปแต่สมบัติภายนอกนี่แม้แต่ร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นของเราเวลาร่างกายตายไปนี่เราเอาร่างกายไปไม่ได้สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นไปหมด หามาแทบเป็นแทบตายคนอื่นสบายนั่งรอให้เราตายพอาตายบ้างเราก็เขาว่ารับสมบัติเราไปไอเราทำแทบเป็นแทบตายแล้วก็หามาได้ก็เสียดายไม่อยากใช้อีกหวงอีกเก็บไว้อีกเลยหา ม, มีแต่หาอย่างเดียวไม่ได้ใช้พอาตายไปคนอื่นเขาก็เอาไปใช้อย่างสบาย แต่เอาไปก็เท่านั้นแ่ะสมบัติเงินทองก็มันเอาไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอมันเดี๋ยวมันก็โดนมันพ่นพิษใส่เวลามันหมดเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์อีกคนที่หาเงินไม่เป็นเอาเงินของคนอื่นไปใช้เียเงินหมดก็ทุกข์อีกหาเป็นก็ทุกข์อีกหาเป็นก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไม่หยุดไม่ย่อนแล้วสรุปแล้วก็คือ เรื่องของเงินทองในเรื่องของความทุกข์พระตถาจ้าวฉันยังไม่เอาเงินทองท่านเอาความสงบดีกว่าเอาสติเอาปัญญาท่านมีสติมีปัญญาแล้วก็จะทําให้ใจมีความสุขใจจะสงบตลอดเวลาใจจะว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความรักความชังความกลัวความหลงความมิตกกังวลห่วงใยความกังวลก้วายกระสับกระส่าย ความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีใหญ่ใจว่างเหมือนตอนนี้ตอนนี้ใจเราว่างอย่างไรมันจะว่างไปตลอดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ก, กับเราก็ตามมันก็ไม่ทำให้ใจเราไปวุ่นวายเพราะใจเรามีสติมีปัญญาคอยคุ้มครองคอยดึงไว้ไม่ให้ไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆ เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเราเห็นโทษของสิ่งที่ที่เรากําลังไปหากันเรากําลังถูกความหลงหลอกให้ไปในทางที่เป็นทุกข์ไม่ได้บอกให้เราไปในทางที่เป็นสุขทางที่เป็นทุกข์อยู่ข้างนอกอยู่ที่ทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอยู่ที่คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้เลองไปหาสิ่ง แล้วสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้จะต้องน้ำตาตกในดีใจตอนต้นตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวก็พอพอมันเริ่มเห็นธาตุแท้ของสิ่งที่เราได้มาแล้วมันก็จะน้ำตาตกไงอืนแต่ถ้ามีธรรมะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ท่านจะสอนเราให้มาทางนี้ให้มาทําพุทธโธะ พุโทโธพุโทโธกันมาทางปัญญาทางปัญญาทางปัญญาก็คืออยากไปอยากได้อะไรได้แล้วจะทุกข์เพียงแต่ยังไม่ได้ก็ทุกข์แล้วเวลาอยากกินกาแฟไม่ได้กินนี่ทุกข์ไหมไม่ได้กินไม่ได้กินก็นดีใจสุขเดียวเดียวเยวพอนิดกาแฟหมดไปก็อยากขึ้นมาถ้วยแล้วถ้าไม่อยากกาแฟแล้วสบายกว่าหนมะ คนไม่อยากกาแฟคนอยากกาแฟนีใ่ใครสบายกว่ากันคนไม่อยากกาแฟก็ไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาน้ำไม่ต้องต้มน้ำไม่ต้องไปหาน้ำตาลหาถ้วยหาอะไรมาชงเดือมน้ำเปล่าแค่นี้ก็สบายแนละ้วร่างกายมันหิวน้ำมันไม่ได้หิวกาแฟใจมันหิวกาแฟใจมันไม่หิวน้ำเนียเรากินเดืมน้าเพื่อร่างกาย เรากินดื่มกาแฟเพื่อเพื่อใจดื่มแล้วก็ติดพอไม่ได้ดื่มก็ทุกเราต้องใช้ปัญญาว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากดื่มยากอะไรดื่มกาแฟดื่มชูราสูบบุหรี่เที่ยวซื้อข้าว ข, ของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้ออันนี้มัน พอซื้ออะไรด้วยความอยากแล้วมันจะติดเหมือนกับติดยาเสพติดต้องซื้ออยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดลำคาญใจซื้อมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดียวไม่กี่กี่ชั่วโมงก็ลืมมันละเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ก็อยากจะได้ใหม่อของที่ซื้อมาพอซื้อมาแล้วดีใจหนเดียวพอดูอีกทีดูกี่ทีก็ไม่ดีใจนะ ดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆใช่ไหมพอพอหายดีใจแล้วดูมันใหม่ดูจะจะดีใจไหยไม่ดีใจล้วเวลาอยากจะดีใจดูของที่เราเคยดีใจตอนที่เราซื้อมานะดูมันแล้วจะดีใจหรอไม่ได้ต้องได้ของใหม่ถึงจะดีใจถ้าเป็นของเก่าไม่ดีใจแล้วใจมันหลอกเราใช่ไหมของอันเดียวกันเนี่ยเวลาซื้อมาใหม่ๆดีใจพออยู่กับเราไปสักพักแล้วกลายเป็นของเก่าแล้ว นี่ดูงไงก็ไม่ดีใจนะไม่อยากได้นะแต่ก็ยังไม่อยากเสียยังหวงอยู่ถ้าเกิดหายไปก็โมโหอีกนี่แหละใจของเรามันหลอกเราหลอกให้เราทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันไม่รู้จักวิธีทําให้เราสุขเนี่ยเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกเราววิธีจะทําให้เราสุขก็คือเนี่ย อย่าไปอยากอะไรทำใจให้ว่างพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธแล้วใจว่างใจก็อิ่มใจก็สบายมีความสุขพออยากได้อะไรก็ใช้ปัญญามาบอกว่าอยาไปอยากอยากแล้วติดแล้วพอไม่ได้ก็จะทุกข์แล้วสิ่งที่ได้มาพอได้มาแล้วมันก็หมดหมดความหมายไปต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆของเก่าแล้วไม่เอาละ ของเก่าเป็นสนิมใหม่ๆจุ๋มจิ๋มหน้าตาจุ๋มจิ๋มเนี่ยมันหลอกเราใจหลอกเราให้เราติชอบของใหม่เบื่อของเก่าแต่ของเก่าที่นี่มันก็เป็นของใหม่ที่อื่นได้ใช่ไหมเวลาเราอยา ก, กัาแฟนเดี๋ยวแฟนเราก็ไปมีใหม่มีคนใหม่คนใหม่เขก็เห็นแฟนเราเป็นของใหม่ไปละ ดีไม่ดีเดี๋ยวแฟนจากเราไปสักพักหนึงก็เจอกันอีกอานจะกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้ <c oughs> พออยู่กันบอ่อยๆแล้วมันจาเจมันเบื่อแต่พอไม่ได้เห็นกันสักพักหนึ่งนะมันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมา <c oughs> นี่แหละถ้าเราไปหาความสุขจากของภายนอกใจเรามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหลอกให้เราเบื่อเบื่ออยากๆยากไปไม่มีวันสิ้นสุด ของแท้ดีของแท้จริงเยอของที่ให้ความสุขตลอดไม่มีวันเบื่อความสงบเนี่ยไม่มีวันเบื่อเหมือมนกินข้าวเนี่ยข้าวไม่เบื่อนะกินข้าวได้ทุกวันนยแต่กับข้าวนี่เบื่อไหมถ้าให้กินน้ําพริกปลาทูทุกวันเนี่ยแต่ข้าวนี่ไม่เบื่อเพราะข้าวมันไม่มีรสนะมันข้าวมันจืดๆเนี่ยความสงบก็เหมือนกันความสงบมันมันจืดๆมันไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยว แต่มันทำให้เราไม่เบื่อทำให้เราอิ่มราไม่เราสุขยังต้องมาทำสติสร้างสติขึ้นมาให้ได้ทำใจให้ว่างให้ได้ทำใจให้นิ่งให้หยุดคิดให้ได้แล้วเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายทุกวันนี้เราวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพราะเงินทองนี่มันเป็นเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้ ได้สิ่งต่างๆ ท, งที่เราอยากได้อยากไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะซื้อของถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่ได้ซื้อของอยากจะดูอยากจะฟังอะไรไม่มีเงินทองซื้อก็ซื้อไม่ได้เราก็เลยต้องเหนื่อยกับการไปทํางานหาเงินหาทองหาถ้าเป็นแทบตายเดือนหนึ่งนี้หาสามสิบวันเอามาใช้วันเดียวหมดหมดแล้วก็เป็นหนี้ต่อไปรูดบัตร แล้วก็มาทุกว่าจะททำยังไงถึงจะใช้นี่ได้แล้วก็อาจจะต้องไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรทำเพราะงี้มันไม่ได้าทำงานมันก็ได้แค่เงินเดือนถ้าไปขายยาเสพติดไปขายอะไรนี่มันก็จะได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้น แล้วก็ถูกจับติดคุกติดตารางอีกนี่แหละคือชีวิตของเราเดินบนเส้นทางของภัยอันตรายต่างๆทุกต่างๆทุกตลอดเวลาทางที่ปลอดภัยสบายง่ายๆกับไม่เดินกัน้องดน้องฝึกดูสังวันเนี่ยเตินขึ้นมาพุทโธพุทโธไปลอวดูที่ว่ามัน มีผลแตกต่างอย่างไงภายในใจเร า, าเห็นใจเราเบาสบายเย็นถึงแม้ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ซื้ออะไรแต่ ใ, ใจกับสบายเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่แหละคือความสุขของเราความสุขที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายหาเงินหาทองให้เหนื่อยแล้วก็ เป็นของเราเป็นอยู่กับเราไปตลอดในเหมือนกับความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวเ้าจากเราไปก็หมดไปอ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องตายร่างกายตายเราก็ต้องไปไปแล้วก็ต้องกลับมาใหม่กลับมาหาใหม่เพร้อมยังมีความอยากจะหาสิ่งต่างๆอยู่ก็ต้องกลับมาหา กลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาเป็นเด็กกลับมาเรียนหนังสือไปโรงเรียนไปอะไรแล้วก็มีคนก็บอกเดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนนู้นรังแกเราคนนี้รังแกเราอีกมีสารพัดทุกข์ถ้ามาเกิดแล้วมีแต่สารพัดทุกข์แต่พราะอยากจะได้สิ่งต่างๆก็เลยต้องกลับมาเกิด ถ้าเราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างสบายนิบานังปรลมังสุญญงนิพพานคือความว่างนิบานังบาล ม, มังสุขขังนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จากการเจริญสติจเจริญปัญญาพยายามหัดพุดโทโธไปเรื่อยๆใจจะว่าง แล้ก็หัดมองทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมันมีวันที่จะหมดได้มาแล้วเวลาเสียไปก็จะทุกข์<ม>แล้วองเสียไม่ไม่ช้าก็เร็วเพราะในที่สุดก็ต้องตายไปเวลาตายก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปง<ม>ั้นอย่าไปอยากได้อะไรดีกว่าอย่าไปอยากมีอะไรอยู่กับความว่างเนี่ สบายจะอยู่ได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาสู้กับความอยากถ้าความอยากชนะเราก็มันก็จะดึงเราให้ไปอยากละสิ่งต่างๆต่อไปถ้ามันแพ้มันก็จะไม่มีอะไรมันเดินให้เราไปอยากได้อะไรต่อไปพอไม่อยากได้อะไรก็อยู่เฉยๆได้ตอนนี้เราไม่อยากได้อะไรเราก็ะนั่งตรงนี้ได้ เดี๋ยถ้าอยากจะไปทํามุ่นทํานี้ก็นั่งไม่ได้ละเดี๋ยวก็ต้องลุกไป mm hmm. นี่คือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหาความรู้ที่จะบอกเราว่าอะไรเป็นคุณเป็นคุณอะไรเป็นโทษนตอนนี้เรากําลังหาโทษกันเราไม่ได้หาคุณกันเรากําลังหาความทุกข์กันไม่ได้หาความสุขกันนถ้าเราไปหาสิ่งต่างๆภายนอกอร่างกายเราเนี่ย เท่ากับการไปหาความทุกข์นั้นเพราะสิ่งต่างๆมันไม่มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขเราเป็นพักๆไปพอมันหายไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาให้มาหาความสุขที่อยู่กับเราตลอดคือการทําใจให้ว่างหยุดอารมณ์ต่างๆหยุดความคิดต่างๆด้วยพุโทโธอยาเวลา อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วก็จะต้องทุกข์เวลาอยากก็ทุกข์แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้อยากเดินกาแฟาก็นั่งอยู่นี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลุกไปหากาแฟาดื่มอยากสูบบุหรี่ก็เดี๋ยวต้องลุกออกไปดื่มต้องลุกออกไปสูบบุหรี่แล้วแต่ถ้าไม่มีความอยากก็นั่งเฉยๆ ส, สบายไม่ต้องไม่ต้องดิ้นหลนไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้แล้วเราจะพบกับความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไม่มีวันพักพ้าจากกันถึงแม้ร่างกายนี้ตายไปความสุขที่เราได้จากความสงบจากความว่างนี้ก็ยังอยู่กับเราต่อไปเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจใจเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราก็ไม่ต้องใช้ ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้บุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็จากอย่างสบายไม่ได้จากอย่างเสียดายเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวร น, นี่หละคือการเรียนรู้ความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่มีผลกระทบต่อชีวิต จ, จิตใจของเราอย่างแท้จริงคือความรู้จากพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าความรู้ทางโลกนี้มันเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ปลอมเป็นความรู้ที่ไม่ได้สามารถช่วยจิตใจเราได้ไม่สามารถปลดเรื่องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้เพียงแต่บรรเทาความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นความรู้ทางโลกนี้ช่วยเราได้ทางบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนทางร่างกาย เพราะถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถไปประกอบอาชีพ ห, หาหารายได้มีไรายได้มาเลี้ยงดูร่างกายได้แต่เวลาใจทุกข์นี่เราความรู้ที่เราเรียนมาในทางโรงเรียนนี่ช่วยไม่ได้ต้องเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็คือสติและปัญญานี่พยายามหัดทำสติอยู่เรื่อยพุทโธอยู่เรื่อยๆปัญญาก็คิดอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยาก อยากล้ทุกข์แต่มันอยากก็ฝืนมันไม่ไปทาตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็แพ้เราเองพอมันแพ้แล้วมันก็จะไม่มารบกวนเราเช่นอยากดื่มกาแฟอย่าไปดื่มมันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองแต่เรามันยอมมันเรื่อยพอมันอยากพุ๊ก็อ่อนเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรอ่อนไปหมดเลยเหมือนเทียนเจอไฟอ่อนยุบเลย พอความอยากมานี่ใจอ่อนไปเลยไม่มีสติไม่มีปัญญาพอมันอยากปั๊บก็พุโทโธพุโทโธไปเลยเลียวต่อไปความอยากมันก็จะสู้เราไม่ได้นั่นจะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเราอีกต่อไปไม่มีอะไรมาชุดลากให้เรากลับมาเกิดมาแก ม, มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราต้องเอาไปปฏิบัติแล้วฟังแล้วรู้แล้วเหมือนมารับยาแล้วหมอให้ยาไปแล้วต้องกินตามที่หมอสั่งพุโทโธไปทั้งวันใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากแล้วต่อไปโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในจิตใจจะหายไปหมดใจจะเบาจะสบายไปตลอดจะอิ่มไปตลอดจะไม่หิวไม่โหไม่อยากได้อะไรไปตลอด ก็พอสมควรแก่เวลาแก่อนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัชิตังตุงหังคิดตเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปัญญาระโสยธามลิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโคมีนัสตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานัสสีลิสะนิจจังอุทธาปจายิโน ยะตาโรธรรมวัฏฐานติอายุวันุสุขังภาลางเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงได้หรือยังเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยได้ยังเปลี่ยนซ้อมให้เป็นกล้วยได้ยัง หนังเสือซ mm ีด hmm. right. oh, okay. well, ีแจกนะหยิบเอาเองนะไม่ไม oh. uh, ่ได้ยืบยื่นให้กับมือต้องต้องเอาด้วยความสมัครใจก็แก้ก็เหมันก็แก้เสร็จแล้วเนี่ยเลยนี่พ้วเมันต้องแก้ตั้งแต่ขอแก้มันยากทําไมแก้ง่ายๆไมดีกว่าอันนี้มันก็มันก็แก้ได้แล้วเ่ยไว้ร้อนมันแก้ไม่ได้ก่อนไว้แก้นี่มันแก้ได้ค โอ้ยเรจะแก้เราแก้เวลาแล้วนนล่ะไม่ต้องมารอใครมาเราขี้เกียจแก้ไงแก้ยากไม่อยากจะแก้ชอบแก้ง่ายๆว่าเออันนี้มันครบเดียวแขนนี่ก็เสร็จละแล้วมันตกทุกวันที่ไหนปีหนึ่งจะตกใช้ไม่ถึงสิบครั้งหรอกใช่ไหมใช้ปัญญาดูเนยคิดดูอย่าใช้ความอยาก อ, อ, อ, อเดี๋ยวแก้ตรงนี้เดี๋ยวไปโผล่ตรงนูน้นอีกไม่เป็นไร ห, หรอกมันไม่มีปัญหาเนี่ยมีคนก็แก้ให้เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ติดติด ต, ตามได้เนี่ยเพราะว่าในนี้ภาพชัดเสียงชัดเนี่ยใหม่ๆก็ขุกขับหน่อยยังไม่รู้จุดที่เป็นปัญหาทีมงานเขาก็คอย คอยหาวิธีแก้ไขไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าญาติโยมทางบ้านส่งข้อความมาบอกว่าชัดเจนเสียงชัดภาพชัดเจนก็ดีเนี่ยเรามีสื่อที่มีประโยชน์สื่อนี้มันก็เป็นเหมือนมีดเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคุนทั้งโทษถ้าใช้ไม่เป็นใช้มีดไม่เป็นมันก็บาดมือหรือเอามาทิ่มแทงเราได้ ถ้าใช้เป็นก็เอาไปทําอะไรเป็นประโยชน์ได้สื่อก็เหมือนกันสื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่เอามาเผยแพผ่ความรู้หรือเอามาด่ากันเอามาทําลายกันก็ได้อ้าวอยากจะถามอะไรชรับการพิจารณาทางด้านปัญญาครับเราทําสมาธิพอที่สงบแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาเหมือน การคิดงานการทางโลกนะครับไปสังขารคิดนะใช่ประเด็นผมเป็นอย่างไรดูกายดูปฏิภาณอย่ยงเป็นปัญญาตัวเดียวกันเลยไหมครับเแต่เราต้องมีความสงบทางด้านสมาธิก่อนใช่ถ้าไม่สงบแล้วใจมันจะไปคิดเรื่องหาเงินหาทองหาขนมใช่ใช้สังขารในปุงนี้นพระอัฏฐังนี่ใช่ไหมแต่อย่าไปใช้ในตอนที่นั่งสมาธิน ะ, อะตอนทําสมาธิเราต้องการให้ใจว่างใจเย็นใจสงบ ถ้ามันว่างมันเย็นมันสงบเราอย่าไปใช้ปัญญาตอนนั้นรอให้ออกจากสมาธิก่อนออกจากสมาธินะพอจะไปคิดหาเงินหาทองก็ให้มาคิดทางปัญญาแทนคิดไปเที่ยวคิดไปเล่นคิดไปทำอะไรก็เอาความคิดนี่มาคิดทางปัญญามาดูแล้วแต่เราอยากจะศึกษาในด้านไหนเพราะปัญญามันมีหลายเรื่องที่เราต้องพิจารณา เรื่องร่างกายของเราก็พิจารณาได้ถ้าเราไม่รู้จักร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นใครกันแน่มันเป็นเราหรือมันเป็นอะไรกันแน่เราก็ต้องมาศึกษาพุตจาบอกว่าไม่ได้เป็นเราแต่เรายังเห็นว่าเป็นเราอยู่ดูซิ ว, ว่าเราจะมองศึกษาให้เห็นว่ามันไม่เป็นเรานหะยังเป็นเราอยู่หรือเปล่า พอพิจารณแล้วมันค right the ิดว่าอุยรู้แล้วแค่นี้ร่างกายสกปรกก็รู้อยู่แล้วเราสำเร็จแล้วมันชอบปรุงไปแบบนี้ครับก็ยังไม่ได้เล่นเพลงแต่ทาการบ้านไงต้องไปเข้าห้องสอบกันมันบอกเลยโอ้จี้เนี่ก็รู้อยู่แล้วเมันก็รู้ก็ลองไปก็ลองไปเข้าเราไปเข้าลงอาบออนวดดูสิดูจะมันใหญ่หรือเปล่าไม่ถ้าอาบน่าครับเห็นภาษาที่ก็ปรุงอ่านะก็แสดง่ปุงอก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาะ ยังเป็นการเป็นสัญญาอยู่ยังถ้าเป็นปัญญามันต้องเห็นปัจจุบันทันด่วนเห็นอะไรงามๆก็กลายเป็นอสุภะไปหมดอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญามันต้องตัดกิเลสได้ตัดความอยากได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาก็ยังไม่บรรลุยังไม่พ้นทุกข์แต่ต้องต้องเรียนได้ก่อนไงต้องซ้อมได้ก่อนต้องคิดไว้บ่อยๆบ่อยๆตอนใหม่ๆอาจจะไม่ทัน พอต่อไปมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องพิจารณามากกว่านี้ตอนต้นเราคิดพิจารณาหนสองหนเข้าใจแล้วอันนี้มันเข้าใจแต่มันไม่ทันมันไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องหัดพิจารณาให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาพอเห็นอะไรปั๊บมันต้องมาทันทีเอาเกเรตมาปั๊บปัญญามันต้องมาแล้วผมเคยไปไปอินเดียับไปไปปฏิบัติที่อินเดียแล้วก็จเจอหากัดไส้คนที่พุทธะอ่า ที่แม่น้ำครับที่นายเป็นอสุภะครับพอกลับมานิ่จิตสบายเป็น2อสาเดือนครับเราคิดว่าสัญเด็ดแล้วมันก็สันเด็ดเลยที่บางไม่ต้องมีครอบครัวแสุดท้ายก็มีไม่รื้ไปแล้วสายอย่างทญ่ไม่เคยกลายเป็นสัญญาไปแล้วสัญญานี้จะสุขเพราะเราไม่เลี้ยงมันต่อไงเราไม่เราไม่พิจารณาอยู่เนืองเนือเราต้องรักษามันรักษาภาพนั้นอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลา ให้นึกถึงภาพเหล่านั้นเห็นตับไตไส้พุิของคนอยู่เรื่อยๆพอมันเจออะไรมันอยากแล้วอยากรักคนไหนชอบคนไหนมันไอ้ตับไตไส้พุิของเขาก็จะโผล่ให้เราเห็นถ้เห็นแล้วเราก็จะเราก็จะรู้ว่าเราเลิกได้แล้วเลืกเลิกไม่ได้ตัดได้แล้วตัดไม่ได้ข้างเนี่ยมันมันเราไม่เข้าใจเราคิดว่าบัญญัตเหมือนกับทางโลก ทางโลกเราเพียงแต่อ่านหนังสือปั๊บเราก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวไปสอบได้ก็จบละแต่อันนี้มันมันลึกกว่านั้นมันต้องมาหยุดไอ้ความอยากเนี่ยมันต้องแบบต้องเห็นปัจจุบันทันด่วนเหมือนไฟไหม้ปับ๊บรถดับเพลิงไม่มาเนี่ยกว่าจะมาบ้านไหม้ไปหมดแล้วอสุภะนี่เห็นแต่พอไปเห็นเห็นคนงามก็หายไปหมดเลย อาสุภาพจะมาก็แต่งงานไปแล้วสองสามปีตอนนั้นเบื่อแล่วต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณามันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีำำำำจกจนกระทั่งมันมันไม่ลืมบางวานันพอภาวนาทีสงบกบ พอถอนจากความสมบุบตอนนี้เป็นความฟุ้งซ่านครับติดเรื่องต่างๆไปเรื่อย เ, อเรื่อยเเพล่ไปแล้วตอนเราไม่ไมคุ้นสติได้นานนะเราไม่รักษาเราไม่รักษาสติไว้ต่อออกมาแล้วเราก็ต้องพุทโธต่อไปถ้าไม่ใช้ปัญญาก็ต้องใช้สติมันเหมือนถ้าเราเล่นเครื่องไปไอไ อ, ไอเรียมก็เร่งตามเรามาอย่างเงี้ยครับความฟุ้งมันตามตามติดเรามาออก็ต้องสู้กันไปครับแต่ผมเคยบวชอยู่ได้สู้ได้สองพรรษาครับร้อนมากครับ เหมป็นเป็นความทุกข์ในจิตที่เราทร ม, มารเลยแปลกมากครับซึ่งเพื่อนๆผู้อาวุโสอื่นทั้งไม่เป็นก็เราไม่มีสติเราปล่อยให้มันทุ่งปล่อยให้มันร้อนปต่อสู้ได้ครับเราไม่อ ย, ยมอมเพราะเราเชื่อมั่นเมื่อก่อนตีเลยมากครับพอมาท้งนี้แล้วมันเชื่อมั่นในคําสอนอของหลวงตาหลวงพ่อฤาษีวิริยธรรเนี้ยมันยิ่งมีความศรัทธาเราเชื่อมั่นแล้วพัออกมาก็ขอมีสิ่งที่5วันจนแล้ว แต่เราอยู่ข้างในไม่ได้เขาซูงไม่ไหวจริงๆกายเจ็บปื้อครับกำลังสูงอย่เดนไเด้ไปที่ร้องอ้อยเออทำไมเราอย่ได้ง่ายใช่เวลากิเลสมันออกฤทธิ์นี่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายไปทั้งหมดทั้งกายทั้งใจเลยเพื่อนทั้งหอดจะอยู่ก็อยู่ได้แต่านไม่อยากอยู่ไอเรานี่อยากอยู่มากแลายไม่ได้เปอนกคนยอกิต้องพยายามฝึกสติไปฟังเทศฟังธรรมไป อยู่เรื่อยๆจะได้ไม่ลืมแล้วก็มาปฏิบัตินะตอนนั้นฝึกตอนบทฝึกแต่สมธาธิเข้าผมไม่ได้ที่ไหนได้านบนต้องสลับกันไว้ละทั้งสมาธิทั้งปัญญาสลับกันไปช่วงนี้นนทําให้เกิดความเลื่องใสในพระศาสนาครับแล้วปรุงว่าอยากจะมาบรรยายทําให้เพื่อนๆไวรุ่นเด็กๆนี่ฟังว่าเราเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เล่าเล่าเล่าเล่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆว่าบา้าครับ แต่แต่ยังเรายังเปลี่ยนไม่หมดอย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นไปเปลี่ยนตัวเราให้หมดก่อนแล้วใครไปสอนคนอื่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านท่านเปลี่ยนตัวท่านเองจนกระทั่งไม่มีอะไรให้เปลี่ยนนะหลังจากนั้นท่านถึงไปสอนคนอื่นต่อถ้ายันเนี้ยท่านยังต้องเปลี่ยนอยู่ท่านก็ยังไม่สอนใครพอไปสอนมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีเวลามามาเปลี่ยนตัวเองต่อไป เดี๋วตัวเองต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อย่างกูมั่นนี่ท่านก็คยสอนคนอื่นตอนที่ท่านยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดตอนใ น, นที่สุดท่านต้องหนีไปอยู่คนเดียวในป่าที่เชียงใหม่อายุหกสิบแล้วชวงนั้นก่อนหน้านั้นท่านก็มีธรรมมีสมาธิท่านก็สอนคนไปเรื่ยอยๆจนกระทั่งท่านไม่มีเวลาที่จะไปะเปลี่ยนตัวท่านเอง ท่านก็เลยเห็นว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่กับคนก็ต้องสอนต้องช่วยเขาก็เลยหนีไปอยู่คนเดียวในป่าช่วงอายุหกสิบถึงเจ็สิบเนี่ยท่านไปบรรลุที่เชียงใหม่ตามประวัติที่หลวงตาท่านเขียนไว้แหลังจากนั้นอายุเจ็ดสิบถึงแปดสิบที่มาสอนท่านในอีกครั้งหนึ่งที่สกลเี่ยที่สกงลหลวงตาก็ไปศึกษาพรท่านช่วงนั้นช่วงที่ท่านอายุเจ็ดสิบแปดสิ เราว่างกิเลสมันหลอกเราบางทีเราได้ทําขัานหนึ่งแล้วมันก็จะหลอกให้เราหยุดให้เราไปคอยสั่งสอนคนนั้นช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ตัวเองก็เลยไม่ได้ช่วยตัวเองต่ออย่างพระอานนทนี่เป็นพระโสดาบันแต่ก็ไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีก็ไม่บรรลุก็ติดอยู่ท่านโสดาบันอย่างนี้เียงแต่ว่าอานิสงส์จากการรับใช้พระพุทธเจ้านี้มันมีอานิสงส์มาก พระเจ้าบอกว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเธอสามเดือนเธอก็จะบรรลุได้เราสามเดือนพระอานุน์ก็บรรลุได้ตอนนั้นถ้าไม่มีภาระะท่านมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ต่อนหน้านั้นต้องคอยดูแลพระพุทธเจ้าคอยเตรียมคอยคอยเตรียมผ้าเตียวอนเตรียมบาตรเตรียมอะไรคอยเป็นเล ข, ขาคอยรับแขกรับคนใครจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านพระอนุ์ก่อน นนท์เลยไม่มีเวลาไปปลีกเวกไปมอำเพ็ญเพราะถูกให้รับหน้าที่ยิงดูพระพุทธเจ้าอุประทับพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติสามเดือนก็ได้ในเวลาเราได้ทําอะไรถ้าเกิดความอยากจะสอนคนอื่นถามตัวเองก่อนว่าเราถึงขั้นสูงสุดได้ยังเลี้ยนจบได้ยัง พอเรียนปีหนึ่งแล้วก็อยา่ายังไม่ได้ป ร, ริญญาอยาอ่าเพิ่งไปสอนคนอื่นเรียนต่อไปขึ้นปีสองขึ้นปีสามขึ้นปีสี่ไปก่อนมไม่ใช่ไปเป็นติวเตอร์สอนเด็กเปิดโรงเรียนกวดวิชาสอนเด็กเลยไม่ไปเรียนปีสองก็ไม่ขึ้นปีสามก็ไม่ขึ้นปีสีก็ไม่ขึ้นติดอยู่แค่ปีหนึ่งอันนี้สำคัญนะปฏิบัติเนี่ยมีเหละมันจะชอบหลอกให้เราเป็นอาจารย์ ใ, ใครทั้งเหมือนกันใช่ไมพอได้แล้วหน่อยอยากจะสอนคนอื่นแล้วอยากจะเป็นอาจารย์น ะ, ะ, ะชวนพ่อชวนแม่สวดมนต์นั่นโอปุงสตงะเลยอนีเาเื่าอาราไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปกับเราหรือเปล่าไมูกยังนขาครับที่บ้าน ง, งานทำบุญีเาเรห้ามเร็วทั้งหมดเป็นคนแบบความโลภอบ้าไปเลยว่ร่ัยรุ่นนี่แหละ ไฟเข้าบ้างไฟแรงตอนนี้ค่อยๆเข้าใจเขาเออไม่รอบครอบตึ้ง24 25เออไม่รอบครอบมัแข็งเนี่ออกมาไม่กลัวพระจ้าโอเคเออมีใครอยากจะถามอะไรมั้ยเดี๋ยวเอาทางบ้านมาทางวันนี้ Facebook เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ o กสูงสุด394ค่โอ้ยกว่จะถึง400แล้วนะ อี <72 S 1> คนเจ็ดสบสอรงรวมกันก็ประมาณสี่้อยหกสิบกว่า ม, มีคำถามของขออนุญาตถามค่ะอย่างงานที่ต้องใช้ใช้ความคิดเยอะๆค่ะจดจอ่อแล้วเราต้องจดจออ่อความคิดจุดทั้งวันเลยเนะะี่ยค่ะมันทำให้เหมือนกับมันล้าแล้วมันคิดไม่ออกในที่สุดเนี่ยคะ่ะมันมีจะมีวิธีแก้ก็หยุดคิดไงต้องพักเขาต้องพักเข้าในสมาธิไงจิตมันก็เหมือนนังกาย ใช้มันมากๆ ม, มันก็เหนื่อยคิดมากๆ ม, มันกระตือพอตื่อเราก็ต้องหยุดคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าให้มันคิดพอจิตสงบแล้วสักพักหนึ่งออกมามันก็จะมีกําลังวางชาใหม่ต้องยอยู่ท่ห้องน้ำอะห้องน้ำหรือยู่ที่ไหนคนเดียวเราจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรใช้พุโทโธก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ต้องพักจิตสมาธิกับปั ญ, ญญานี่มัน สนับสนุนกันทางปฏิบัติก็เหมือนกันเอามาพิจารณาอยู่พักนี่มันก็ตื้อหรือบางทีกิเลสมันเริ่มเข้ามาลุ่มเราก็หยุดคิดแล้วก็กลับไปเข้าไปในสมาธิภาคจิตก่อนพอจิตสงบเย็นสบายอิ่มแล้วออกมาก็สามารถจะพิจารณาต่อได้ต้องผัดการทำหน้าที่เหมือนกับการร่างกายในเวลาไปทํางานเมื่อหิวข้าวแล้วก็ต้องพักกินข้าวะ เย็นก็ต้องกลับบ้านอาบน้าำอาบถ้าพักผ่อนหลับนอนตอนเช้าก็าออกไปทํางานใหม่จิตก็เหมือนกันจิตก็ต้องพักในสมาธิกินอาหารในสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็ไปทํางานในวิปัสสนาคิดในปัญญาก็เป็นการทํางานของจิตเรทํานี้สลับไปจนกว่าปัญญาจะแหลมคมสามารถตัดกิเลส ต, ตัณหาทั้งหลายให้หมดไปพอหมดแล้ว สติปัญญาก็ไม่ต้องใช้งานต่อไปเพราะไม่มีปัญหาให้กำจัดแล้วแต่ก็ยังใช้สติปัญญาสำหรับการทั่วทั่วไปหรือถ้าพระมุทเจ้าก็เอาสติปัญญามาสอนธรรมะก็ยังใช้อยู่แต่ใช้ไปในทางประโยชน์ของคนอื่นไม่ไดเอามาใช้เพื่อทำลายกิเลสของตนเพราะกิเลสของตนมันไม่มีแล้ว การสอนก็ไม่ต้องใช้อะไรอยู่วันวันสบายถ้าจะสอนก็ต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีคิดแล้วก็ต้องบังคับให้จิตมันคิดไปในเรื่องที่เรากําหนดไว้เหมือนคนฟังจะได้รู้เรื่องรู้ราวเข้าอกเข้าใจถ้าเกิดช่วงที่มันตื้อๆมากๆนี่มันนี่งปรุงยากก็ไม่แน่มันก็แล้วถ้ามันฟุ้งก็ต้องหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปแต่ส่วนใหญ่ ตลบมากค่ะก้นเนยเออมันเหนื่อยบางทีคนเขาเหนื่อยทางทางใจกับทางกายก็เลยอาศัยการนอนหลับพักผ่อนมันก็ช่วยได้ทั้งสองทางเวลานอนหลับบางทีมันก็หยุดคิดด้วยหยุดคิดมันก็พอตื่นขึ้นมามันก็สดใสเบิกบานขึ้นมากลับไป จ, จะั่งสมาธิเลยได้เพราะมันเหน่อยมากเออนั่น<ม>สแสดงว่าเบเหนื่อยทางร่างกายด้วยถ้าถ้าเหนื่อยทางใจอ ย, อย่างเดียวก็จะนั่งสมาธิได้ถ้าเหนื่อยทางร่างกายนี่มันต้องนอน มีคำถามทางบ้านเข้ามา okay. คำถามจะทางอินบอนะคะจากคุณเก๋ค่ะคำที่ว่ามนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์หมายความว่าอะไรคะคือกรรมของบรรพบุรุษที่ตกมาถึงลูกหลานใช่หรือไม่คะไม่ใช่เข า, าว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมเป็นผู้สร้างเผ่าพันธ์ให้กับเราไงเรามีสามารถเป็นเดชะช า, น ก, น, า น, น, นก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งนะเปดก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่ง เทวดาก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งกายเป็นคนนะกายเป็นอะไรเป็นทำให้เราเป็นเปรตเป็นเทวดาก็กรรมเยการกระทํำของเราถ้าเราทําแบบสุนัขเราก็เป็นเดรัจฉานพวกที่ไม่ถือศีลห้าอย่างเงี้ยพวกที่ไม่ถือศีลสามเนี่ยประพฤติผิดประเวณีมันก็เหมือนกับสุนัขเนี่ยทำไปมันก็เลยเป็นเดรัจฉานไปมีเผ่าพันธุ์เป็นพวกเดียวกับพวกเดรัจฉาน คือกรรมเนี่ยเป็นผู้ทําให้เรามีเผ่าพันธุ์ชนิดต่างๆกันเช่นตอนนี้เรามีเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถ้าเรารักษาศสี่ห้าได้ครบถึงแม้เราจะมีร่างกายเผ่าพันธุ์เราอาจจะกายไปแล้วก็ได้ถ้าเราเริ่มไม่รักษาสี่ห้าแล้วเราจะเริ่มกายไปเป็นเปรตบ้างละไปเป็นเดรัจฉานบ้างละคำถามกับคุณพันยา เรื่องการปล่อยปลาค่ะบางร้านก็ขายรวมกันทั้งปลากินกับปลาปล่อยเพราะใกล้ตลาดสดท่าน้ําบางคนบอกเป็นปลาดุกเลี้ยงปล่อยลงแม่น้ําก็ตายเป็นบาปแล้วจริงๆการที่เราตั้งใจปล่อยปลาแบบนี้จะได้บุญหรือบาปคะก็เราคิดถึงตัวเขาตัวเราดูสถ้าเราเป็นปลานี่แล้วมีใครมาปล่อยแล้วเราจะรู้สึกดีใจหรือเสียใจ เราให้ความสุขกับคนอื่นมันก็เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมามันก็เป็นบุญส่วนปล่อยเขาไปแล้วเขาจะตายแล้วไม่ตายนี่มันก็เป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาแล้วล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากการจองจำให้เขามีอิสระภาพให้เรามองมุมกลับถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราดีใจมีความสุขก็แสดงว่าได้บุญทำให้คนอื่นมีความสุข เราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ทําให้คนอื่นก็มีความสุขดังั้นการช่วยเหลือคนนี่มันเป็นความสุขใช่หไหมช่วยให้คนอื่นเขามีความสุขช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ความยากลําบากเดือดร้อนต่างๆการช่วยเหลือกันเนี่ยก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งให้ความสุขทําให้เรามีความสุขใจสุขใจนี้ก็เรียกว่าบุญ เวลาทําอะไรให้ดูที่ใจไม่ต้องมาถามเราว่าเป็นบุญหรือเปล่าถ้าทําแล้วสุขใจก็เป็นบุญแล้วถ้าทําแล้วไม่สุขใจนีก็ไม่เป็นบุญเช่นถูกบังคับให้ทําเนี่ยบางคนเอาซองผ้าป่ามาให้เนี่ยมันลองใส่ไปใส่แล้วไม่เกิดสุขใจเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้บุญเพราะเราไม่บุญไม่เกิดเพราะไม่ได้บุญไม่ต้องเกิดจากความยินดีความตั้งใจความพร้อมอะไรต่างๆถึงจะเกิด แต่ถ้าถูกบังคับนี่แล้วมีอารมณ์หงุดหงิดไม่สบายใจนี่มันไม่เกิดบุญมันเหมือนกับแกนการใช้หนี้มากกว่าหนี้นี่ไม่มีใครอยากจะใช้แต่เมื่อถูกบังคับก็ต้องใช้ไปเทียวทำบุญแบบนั้นเรียกว่าเป็นการใช้หนี้ไม่ได้เป็นการทาบุญเ้วอาจจะเป็นหนี้เขามาก่อนแล้วเคยเอาซองไปแจกเขา <laughs> ตอนนี้เขาอามเอาซองมาแจกเราบ้าง ดังนความจริงบุญนี่เราจะรู้ทันทีอยู่ในใจเราเวลาเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขใจเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการกระทําของเราแล้วเรามีความสุขใจเนี่ยเราก็ได้บุญนะเนี่ยเป็นหมอเนี่ยคนมารักษาเรารักษาให้เขาเราหายเนี่ยเขามีความสุขใจเราก็สุขกับเขาและให้เขาหายคํถาถามจากคู่แม่ประสงค์ออกนาม มีคนที่คิดไม่ดีกับเราเราควรวางจิตอย่างไรคะก็คิดว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาคิดไปเราห้ามใจเราได้หรือเปล่าห้ามได้พุทโธงใหหยุดมันเราเราชอบไปอยากให้เขาไม่ไม่คิดร้ายกับเราเราหยุดความอยากไ ด, ได้แล้วเราก็จะสบายใจ ที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะให้เขาไม่คิดร้ายกับเรา alors alors sure แต่แล้วเร า, ามองตามความเป็นจริงแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามเราได้หรือเปล่าห้ามไดแ้แต่เราห้ามเราไม่เป็นเองเราต้องมาหัดห้ามเราเองหัดพุทโธันเวลาใครทําอะไรไม่ถูกใจเราเราพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับการการะทําของเขาที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้เขาทำใช่ไหมอยากให้เขา ทำอย่างนั้นอย่างนี้พอก็ไม่ทำตามความอยากเราเราก็เดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากจะเดือดร้อนเราก็มาห้ามใจเราห้ามความอยากเราอย่าไปอยากให้เขาไม่คิดร้ายกับเราเขาจะคิดร้ายก็ปล่อ ย, อยอเขาคิดร้ายไปเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ฟ้าร้องนี่เราห้ามมันได้รเราก็ปล่อยมันล้องไปใช่ไหมั่นเราเดือดร้อนกับมันหเปล่าไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ร้อง แล้วเราเพาะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใ น, นการกระทําของคนอื่นไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจก็เหมือนกันเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดดีผู้ดีทําดีกับเราหรือไม่เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามความอยากเราได้โดยใช้สติใช้ปัญญา มีความไม่อยากที่จะพบปะใครสุ่มสิงกับใครแม้บางครั้งกระทั่งคนในครอบครัวถ้าไปไหนก็อยากไปคนเดียวกินคนเดียวมาคนเดียวถ้าจําเป็นต้องไปในที่คนเยอะๆก็จะอึดอัดถือว่าผิดปกติไหมครับมันก็มันผิดกับสภาพที่เราอยู่สภาพที่เราอยู่นี่เราต้องอยู่กับคนเราต้องมีการสังคมกันมีการพบปะกันถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ไปหา หาที่อยู่คนเดียวถึงจะไม่เป็นถึงจะไม่ผิดปกติถ้าเราชอบอยู่คนเดียวเราก็ไปหาที่อยู่คนเดียวของเราไปไปบวชชีบวชพระก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องยุ่งกับใครคาถามจาก u t u b e live จากคุณนัชพลคนที่ยังอยากจะเรียน่าวตายเกิดเพื่อตาม <c oughs> เพื่อรอที่จะสร้างบารมีอย่างนี้ผิดจากคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับ ผิดเพราะว่าพระเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหาในปัจจุบันตอนนี้เรามีปัญหาเหมือนกับเราไม่สบายเนี่ยเราจะรอให้หาหมอที่ถูกใจเราค่อยไปรักษาหรือเปล่าเราเจอหมอไหนก็รีบหาซะให้หมอช่วถ้าเขารักษาเราได้ก็ก็ให้เขารักษาอย่าไปรอว่าต้องอาหมอคนนู้นคนนี้ถ้าหมอคนนั้นคนนี้ยังไม่มาจะไม่รักษาเดี๋ยวก็ตายไปก่อนอใจเราไม่ตายใจเราก็จะทุกข์ไปเรื่อย จนกว่าเราจะได้พบกับหมอที่จะมารักษาใจของเราตอนนี้เรามีหมอรักษาใจแล้วพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แล้วแล้วเราจะไปรออะไรก็ถูกกิเลสหลอกแค่ น, นั้นเองกิเลสไม่ยอมให้เรารักษาใจเพราะการรักษาใจก็คือการฆากิเลสกิเลสนไม่ยอมให้ฆ่ามันก็เลยต้องหาหาอุบายหลอกเราไม่ให้ไม่ให้มาฆากิเลสประกานั้นเอง ลามจากคุณวันมิพาถ้าเราต้องอยู่ในหมู่คนที่มีอารมณ์ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเกินหน้าเกินตาตัวเองต้องทำใจอย่างไรคะก็ทำใจอย่าไปอยากได้ดีไม่อยากได้ดีล้เเาเมื่อเขาไม่อยากให้เราได้ดีเราก็อย่าไปอยากได้ดีมันก็ไม่มีปัญหาเลยเ้าว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้เราก็ขอสละสิทธิ์ <laughs> <laughs> ขออยู่ขออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ คนอื่นก็จะไม่มีใครก็จะมายุ่งกับเราไม่มีใครจะมาโกรธเรามาเกลียดเราแต่ถ้าเราไปดีกับเขาเด่นกับเขาเดี๋ยวก็โดนเ็ายิงถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่กับคนอย่างนี้ไปอยู่กับคนที่เขายินดีกับการเจริญของเราคำถามจากคุณมินนี่เวลานึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าทานมากแล้วพองเป็นตุ่มต้องเข้าฟิเตเนส ทำให้ไม่กล้าทานมากแต่ยังอยากทานอยู่แสดงว่าไม่ได้ละจริงๆแต่เกรงใจครูบาอาจารย์ใช่ไหมค ะ, ะ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งใช่ถ้าอยากจะละจริงๆก็ต้องพิจารณาความสกรปรกของอาหารต้องคิดถึงอาหารเวลามันอร่อยมกําลังเคี้ยวอยู่ในปากนี่ดูหน้าลองคลายมาดูหน้าตามันหน่อยแล้วดูเท่าจะตัดกลับเข้าไปกินในปากได้หรือเปล่าเนี่ยอาหารที่กําลัง อ, าารอร่อยอร่อยที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากเนี่ยดูหน้าตาที่มันน่ากินไหม ถ่ายออกมาดูแล้วค่อยตัดเข้าไปกินใหม่ถ้าเห็นสภาพของอาหารที่ไม่น่ากินแล้วมันก็จะลดความอยากลงได้ลดถึงคิดถึงตอนที่อาเจียนออกมาเนี่ยอาหารนั่นอร่อยเนี่ยเลือกที่มันถ่ายออกมามันก็อาหารทั้งมันมันจะเป็นอะไรใช่ไหมอาหารในรูปแบบต่างๆให้นึกถึงภาพอาหารเหล่านี้อย่าไปนึกถึงภาพที่มันอยู่ในจานออกมาจาก รงครัวสดๆร้อนๆอย่างนี้เห็นแล้วมันก็น้ำลายไหลแต่ถ้าเห็นตอนที่มันออกมาจากทวารหนักนี่มันก็จะได้ไม่ไม่อยากจะกินอะไรนะนี่คือวิธีแก้เหมือนกับอสุภาษณ์อสุภาษก็ดูความไม่สวยงามของร่างกายอาหารก็ดูความสกรปรกดูความไม่น่ากินของอาหารแล้วมันก็จะไม่ไม่อยากกินหรือถ้าอยากจะแก้อีกวิธีหนึ่งก็ อาหารที่มันจะเข้าไปในท้องนี่ลวใส่ไปในชามันเดียวก่อนของเค้าของหวานอะไรใส่ไปในชามคุกมันเหมือนกับตอนที่มันเข้าไปในท้องแล้วค่อยตักกินเข้าไปดูสิจะจะกินลงไหมแกงจืดแกงเขียวหวานแกงเผ็ดขนมอะไรขนมเคก้กขนมอะไรพิซซ่าใส่ไว้ในจานแล้วก็คุกมันแล้วค่อยกินทางนี้มันดูสิมันจะกินลงไหย อันนี้มันก็จะช่วยลดความอยากกินลงไปได้ทำแบงนี้ที่อาจารยบอกมันจะกินน้อยนะคะนิดเดียวเองเหมือนว่าเท่าที่เราหิวใช่ต้องการกินด้วยความจําใจกินเนี่ยไม่ได้กินด้วยความอยากกินตอนแรกสั่งเลยแล้วเคุกไปหมดกินไม่หมดเพราะมันไม่อยากกินอลยมันไม่อยากกินอเราหนมเค้กผสมกับแกงเผ็ดดูว่ามันน่ากินบางทีก็เลือกนะะไม่ใส่ของเหล เอใส่ไปเศยมันต้องเข้าไปในทั้องหมดกาแฟอะไรเนี่ยใส่ไปให้หมดกรบสูตรเลยคาถามจากคุณเกียงก่อนจะนั่งสมาธิควรที่จะเดินตรงกลมด้วยทุกครั้งหรือไม่หากสถานที่ไม่อำนวยการเจริญสติในอิริยาบถอื่นเท่าที่นึกได้ในระหว่างวันจะช่วยให้สติคงอยู่ได้เหมือนกับการเดินตรงกลมหรือไม่ครับก็ตามใจแล้วแต่ อันไหนทําแล้วมันทําให้ได้ผลดีในการนั่งก็ทําไปถ้าเรามีสติดีอยู่แล้วนั่งเลยได้ก็นั่งไปถ้านั่งแล้วยังฟุ้งอยู่ก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินก่อนก็ได้ลุกขึ้นมาเดินมาสวดมนต์มาบริกรรมพุทโธไปสักพักก่อนเพราะนั่งแล้วมันจะอึดอัดมันจะฟุง้งก็ไม่สบายก็ลุกขึ้นมาเดินก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีสูตรตายตัวสูตรสําคัญอยู่ที่ตัวสติว่ามีหรือไม่มี ถ้ามีสตินั่งปุ๊บมันก็พุโทโธปับ๊บเข้าปั๊บเลยก็มีคำถามจากคุณป้อมลูกรู้สึกทำบาป<อ>บาผิดผิดสิข้อปานาโดยลูกไปซื้อปลาโดยคิดว่าตายแล้วโดยให้แม่ค้าทำปลาให้ด้วยลูกจะบาปไหมคะไม่สบายใจเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเขายังไม่ตายมันก็ไม่บาป คำถามสคุลดวงสมองถ้าในชีวิตประจํวาวันเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดในการมไม่พูดปดไม่กินเหล้าถือเป็นการรักษาศีใหมคะหรือว่าเราต้องอาราธนาสีทุกวันอ๋อไม่ต้องอาราธนาหรอกถ้าเรารักษาก็ถือว่าเรามีศีแล้วอาราธนาไม่อาราธนาไนม่สําคัญสําคัญที่รักษาหรือไม่รักษา อาราธนามาแล้วไม่รักษาก็เหมือนกับไม่ได้ก็ไ ม, กไ ม, กไม่ก็ไม่มีศีลอยู่ดี <Yeah. S 1> การอาราธนานี่ความจริงคือการไปศึกษาสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไร mm. ก็ไปถามพระว่าช่วยช่วยบอกกันให้หน่อยว่าศีลห้ามีอะไรบ้างนั่นแหละคือความหมายมันอยู่ตรงนั้นพอเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปอาราธนากันทุกครั้งหรอกพอเรารู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรวันไหนเราอยากจะรักษาก็รักษาไปเลย แต่ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะวันนี้จะรักษาสีห้าไปไม่ให้ขาดแล้วก็พยายามรักษาตามที่เราตั้งใจไว้เราก็จะมีสีนขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณปาลผมได้เจริญสติในชีวิตประจำวันอะไรมากระทบจิตใจก็รู้ทำงานไปด้วยก็รู้สึกตัวผมเจริญได้ห้าวันแล้วผมเริ่มเห็นทุกข์เหมือนกับหายใจไม่ออกมันเกิดขึ้นเวลาตอนนอน แล้วมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปครับขอคามแนมะนำครับก็ให้พิจารณาว่ามันก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราไปกําหนดไปควบคุมบังคับไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วผ่านไปแล้วก็จบถ้ามันยังยังเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรถ้าเป็นทางร่างกาย ก, ายก็ไปหาหมอถ้าเป็นทางจิตใจก็ ก็ยอมรับ ว, ว่ามันยังเป็นวิบากกรรมของเราไปก็พยายามใช้สติให้มากขึ้นสติมันก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆได้ถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาทางใจถ้าเป็นปัญหาทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอหาค้นหาค้นคว้าหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้คำถามจากคุณสิริเมื่อมีความรักต่อสิ่งใดๆแต่เราก็อดทนต่อความอยากครอบครองสิ่งนั้นๆ จะทำอย่างไรกับความรักที่ทุกทรมานที่ต้องทนทนไปและความอยากครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งนั้นั้นแม้จะพุโทโธไปมันก็ยังไม่ลืมค่ะต้องใช้ปัญญาไงต้อมองว่าสิ่งนั้นมันได้มาแล้วอาจจะสูญไปก็ได้หรือได้มาแล้วอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ก็พอเราเห็นว่ามันได้มาแล้วมันเปลี่ยนไปเราก็จะไม่อยากได้ไดตอนต้นที่มันจะมาเป็นเพื่อนกันพอมาอยู่ด้วยกันมากลายเป็นศัตรูกันอย่างนี้ อย่างนี้ก็ไม่อยากไม่เอาดีกว่านะดวดูว่าดูว่าเขาไม่ได้เป็นของเราก็าจะมาเป็นของเราได้สองสาวันเดี๋ยวคนอื่นมาเอาไปซะแล้ว <S <S ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้เพราะมีใครจะรับรองได้ไหมว่าของที่เราได้มาแล้วจะอยู่กับเราเป็นของเราจะให้ความสุขเราทุกวันทุกเวลามันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม <S <S เดี๋ยวมันต้องมีการเปลี่ยนปแปลงไปเดี๋ยวมีการจากกันไป ถ้ามองอย่างนี้แนละ้วมันก็จะหยุดความรักในสิ่งนั้นได้เพราะเห็นว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเนะี่ยคำถามจากผู้ร้องสมออกนามเวลานั่งลืมตานิ่งๆไม่ได้ทําอะไรเหมือนคนนั่งเมอแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกว่างๆเรียกว่าสมาธิไหมคะไม่หรอกสมาธิมันต้องสงบนิ่งสบายมีความสุข คำถามสกุลนะพลในพุทธประวัติสาวกของพระพุทธเจ้าทะเลาะกันท่านเสด็จหนีทั้งที่ปัญญาและบารมีน่าจะยุติได้อยากทราบเจตนาว่าเพราะสาเหตุอะไรและท่านทรงสั่งสอนอะไรครับก็บางทีไปเจอคนดื้อสอนยังไงมันก็ไม่ฟังไม่ฟังท่านก็เลยใช้มาตรการสอนคนดื้อด้วยการจากไปฮ อันนี้ก็เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าในการสอนคนดือ้อเมื่อสอนด้วยเหตุด้วยผลนะพูดกันตรงตามเหตุตามผลแนละ้วก็ไม่ยอมฟังก็เลยต้องใช้วิธีหนึ่งก็คือท่านกน็หนีไปอยู่คนเดียวพอไปอยู่คนเดียวชาวบ้านก็เริ่มสงสัยแล้วทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่อยู่กับพระสงฆ์ก็สงสัยสืบมาสืบก็พบว่าพวกพระนี่ดื้อกับพระพุทธเจ้าไม่ยอมฟังพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่แล้วก็สอนไม่ได้สอนแล้วก็ไม <wygląda S 1> <stamina. S 2> ่ฟังท่านก็เลยไปอยู่คนเดียวพอชาวบ้านรู้ว่าพระดื้อก็เลยไม่ใส่บาตรพอชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระก็หายดื้ออก็เป็นนิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับมาขอโทษขอโพยอะไรเลยพอไม่มีข้าวกินเนี่ยนะหิวเลยเห็นโทษขึ้นมาบางทีเลยพวกเด้อเด้อนี่ท่าอย่าไปให้เงินมันมันก็หายดื้อ อย่างลูกๆเนี่ยถ้ามันดื้ อ, อย่าไปให้เงินใชัยเดี๋ยวมันก็หายดื้อเองอพ่อแม่กลัวลูกจะทุกข์ถ้าไมให้เงินเดี๋ยวลูกจะทุกข์จะลาจออําบากก็เลยยอมให้มันยอมให้มันดื้อล้วก็เลยไปส่งเสริมความดื้ออย่างนี้พ่อแม่เราต้องมีใจเข้มแข็งบ้างต้องมีมาตรการอย่าไปกลัวว่ามันจะโกรธเราเกลียดเรามันไม่มีเงินแล้วมันไม่โกรธเราเกลียดเราหรอกพอไม่มีเงินใช้ยเดี๋ยวมันก็รักเราแล้ว คำ ถ, ถามจากคุณนิรพลการเดินจงกรมสามารถดูเท้าควบคู่กับบริกรรมพุโทโธได้ไหมครับได้จะไม่จะดูเท้าอย่างเดียวไม่พุโทโธก็ได้จะพุโทโธอย่างเดียวไม่ไม่ดูเท้าก็ได้เขาให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่า น, นั้นเองที่เราทําอย่างนี้คาถามจากคุณนาราวิธีการบํารุงพระพุท ธ, ธศาสนามีอะไรบ้างครับก็มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ดีที่สุดก็คือศึกษาปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็บรรลุรมแล้วก็เอาทมที่บรรลุนี้มาสั่งสอนคนอื่นต่อไปอันนี้จะเป็นวิธีที่ทำนุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงวิธีอื่นก็สนับสนุนถ้าเป็นคารวะญาติโ ย, ยมมีเงินทองก็ใส่บาตรไปสร้างกุฏิสร้างอะไรไปอันนี้ก็เป็นวิธีสนับสนุน แต่ก็สู้วิธีศึกษาปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็สั่งสอนไม่ได้ศึกษาคือปริยัติศึกษาคำสอนพอรู้ว่าคำสอนเป็นอะไรก็ปฏิบัติปฏิบัติไปเด็กก็บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าพอเป็นพระอริยะเจ้าแล้วก็เอาไปสอนคนอื่นต่อได้อย่างนี้พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไปถึงแม้จะไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร พราองค์ประกอบของศาสนาไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่เจดีย์ไม่ใช่กุฏิไม่ใช่วัดอันนั้นเป็นส่วนประกอบแต่ตัวแท้จริงของศาสนาก็คือตัวธรรมศาสนธรรมศาสนธรรมจะอยู่ต่อไปได้เพราะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมแล้วก็มีการเอาธรรมที่บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนต่อผู้อื่นอีกต่อนี่แหละคือวิธีที่จะทํานุบำรุงรักษาศาสนาพุทธให้อยู่ไปนานๆได้ ถ้าไปสร้างโบสถสร้างเจดีสร้างวัดแต่ไม่มีคนเรนธรรมะไม่มีคนปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวต่อไปคนก็ไม่รู้ว่าบวชบวชเจดีมีไว้ทําไมเข้าไปเห็นบวชเห็นเจดีย์แลใจหดหอ่อ ห, หดหูซะอีกไปก็โศกรปรกพระที่บวชก็ไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาอมูวแต่ทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเรื่องมัแต่สร้างเรื่องเฉาโชให้กับชาวบ้านได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆ แล้วอย่างนี้มันศาสนามันจะเจริญได้อย่างไรนี่ยยเี่ศาสนาเจริญเวลาที่ไปเจอพบที่พบพระที่ศึกษาพบพระที่ปฏิบัติพบพระที่บรรลุญ yeah. าติโยมจึงมักจะไปหาพระแบบนี้ซึ่งอยูส่วนใหญ่มักจะหนีไปอยู่ตามป่าตามเขากัน yeah. <Yeah. S 2> แต่พวกที่เขาอยู่ตามบ้านตามเมืองนี่เขาไม่ค่อยศึกษาเขาไม่ค่อยปฏิบัติกัน <Yeah. S 2> เขาก็เลยมีเรื่องแฉวโชว์ให้เราได้ยินได้ได้เห็นอยู่เรื่อย แล้วทำให้เราศาสนาเสื่อมนหมคนศักคนศรัทธาในศาสนาแบบนี้ไหมไม่ศรัทธาหรอกแต่เวลาไปพบพระที่ศึกษาปฏิบัติที่บรรลุธรรมแล้วเอาธรรมที่บรรลุมาสั่งสอนฟังแล้วเกิดความประทับใจนะเกิดศรัทธาขึ้นมาไหมนี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ถูกต้องต้องทาด้วยการศึกษาปฏิบัติบรรลุ ถ้าเผยแผ่ธรรมคำถามจากคุณดารินดาการที่เราโดนโกเงินถือเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าเจ้าคะจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้มันก็ไปแล้วอยู่ที่ว่าเราทำใจได้หรือเปล่ า, ถ, า ถ, ถ้าถือแล้วทำใจได้ไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้ให้คิดว่ามันเป็นมันปันไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วถ้ามันจะกลับมาก็ ก็ก็แล้วไปถ้าไม่กลับมาก็แล้วไปคื อ, อข้อสำคัญขอให้เราอย่าไปทุกข์กับมันเราจะคิดแบบไหนก็ได้คิดแล้วทำให้เราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้คิดว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปก็ได้คิดว่าเป็นการซื้อบทเรียนความโง่ของเราก็ได้ซื้อปัญญาก็ได้โง่ต้องมาก่อนฉลาดใช่ไหมต้องโง่ให้เขาหลอกเอางเงินเราไปก่อนต่อไปเรืยฉลาด ต่อไปใครจะมาหลอเอาเงินเราไม่มีทางยิบไปได้ก็เชื่อว่าได้คุณได้ได้ปัญญาที่มีคุณค่ามากเงินที่เสียไปอาจจะเป็นเงินส่วนน้อยเพราะต่อไปเขาจะมาเอาเงินยิบ ม, มากกว่านี้ก็อเอาไปไม่ได้แล้วเพราะเราฉลาดขึ้นแล้วคำถามจากคุณนันทนาไปถว า, ายอาหารรักษาศีลกับวัดที่ทาวัตถุมงคลทุกรูปแบบสอนให้คนหลงกับที่พึ่งผิ ด, ผด แต่เราไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้เราจะได้บุญใหม่คะอ๋อเราได้บุญที่เราให้ไงเรื่องที่ว่าเราเราทาแล้วเราสุขใจหรือเปล่าก็ดูตรงนั้นด้วยถ้าให้แล้วไม่สุขใจเพราะไม่ศรัทธามันก็ไม่ได้บุญอาจจะได้บ้างแต่ไม่มากได้ตรงที่ว่าเราชนะความตนีชนะความหวงในเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่เราเสียสละเป็นจะทำเรามีจาคะมีมีธรรมเราได้ทํา แต่เราอาจจะไม่มีความสุขใจก็ได้แต่พอเราคิดว่าเราทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอย่างนี้ก็ได้คําถามจากคุณปาริศในการดําเนินชีวิตประจําวันทุกวันนี้เราจะถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมะได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราดูดูสิ่งที่เราเห็นแบบไหนเราดูในแบบกิเลสมันก็ไม่เป็นธรรมะเห็นว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามัน เป็นของที่เราควรจะได้มา่นี้ก็กลายเป็นกิเลสไปแต่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราไม่อยากได้มันอันนี้ก็จะเป็นธรรมของทุกอย่างในโลกนี้เราสามารถมองได้ทั้งสองทางมองแบบทางโลกก็ได้มองแบบทางธรรมก็ได้มองแบบทางโลกก็เฮ้ยดีได้เงินมาเยอะๆได้งานเยอะ ๆ, ๆได้เที่ยวเยอะ ๆ, ๆมีความสุขอันนี้ก็มองแบบกิเลส ทำลองแบบทางธรรมว่าโอ้ยมันมีแต่ทุกข์ได้มาก็ทุกข์เสียไปก็ทุกข์ไม่เอามันดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าอันนี้ก็เป็นธรรมขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณชูติชัยการที่เราเจ็บปวดร่างกายเช่นหลังเอวแล้วไม่หายจะมีจะมีส่วนมาจากกรรมเก่าหรือของเราหรือเปล่าครับเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรให้เบาบางได้บ้างครับ เรื่องของทางร่างกายก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่หมออยู่ที่ยาว่ามีความสามารถที่จะเยียวยาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปส่วนทางจิตใจแล้วนี่เราสามารถที่จะรักษาให้หายได้คือไม่ให้ทุกข์กับมันได้ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราปรงยอมรับว่ามันก็ทำดีที่สุดแล้วทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายใจก็จะไม่ทุกข์หมดแล้วหละคําถามจากคุณนะคนการปฏิบัติที่ตึงไปเป็นอย่างไรครับแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอดีคือมันพูดยากมันก็แบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันก็พอดีไม่กินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดี เข่งเกินไปเข่งยังกระทั่งทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ดีเข่งแล้วทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆยังเมื่อกี้โยมผู้ชายบอกห้ามไม่ให้เอาเหล้าเข้าบ้านนี้อันนี้ก็เข่งจนกระทั่งคนในบ้านเขาเกลียดขี่หน้าเรามันก็เกินไปมันต้องดูสภาพแวดล้อมว่ามันควรที่จะเข่งขนาดไหนไม่เข่งขนาดไหนเพราะมันบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงคนเดียวมันไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วย แล้วแต่สาภาพแวดล้อมถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยากจะเข่งเต็มที่ก็ได้แต่เข่งเต็มที่มันก็มันตึงเกินไปก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่อดข้าว49วันนี้อย่างนี้ก็ถือว่าตึงเกินไปหรือเข่งผิดที่เข่งแล้วมันไม่ทําให้เกิดผลก็ถือว่าตึงเกินไปแต่ถ้าเข่งแล้วมันเกิดผลก็ก็ไม่ถือว่าเข่งไม่ไม่เติมพระพุทธเจ้าบอกจะนั่งตรงใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดชารู้ ถ้ายังไม่ตัดสัรู้ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลูกจากที่ตรงนั้นฮะอันนั้นจะว่าตึงเกินไปก็ไม่ตึงสําหรับท่านมันไม่ตึงเพราะท่านต้องใช้วิธีนั้นสําหรับการที่เราจะกําจัดกิเลส ข, ของท่านการที่ท่านจะได้ปัญญาได้ตัดสัรู้ท่านต้องทําแบบนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะยอมแพ้กลางกลางทางพอไปถึงเจอความเจ็บปวดหน่อยก็ยอมถอยซะและไม่ไม่สู้ต่อ ดังนั้นเรื่องของความเข่งความตึงนี่มันมันต้องดูแต่ละแต่ละเรื่องไปแต่ละเหตุการณ์ไปแต่โดยหลักก็คือว่าดูที่ผลก็แล้วกันผลที่เราต้องการมันเกิดหรือไม่ถ้ามันเข่งแล้วไม่เกิดผลตึงเกินไปแล้วไม่เกิดผลก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดผลอย่างที่พเจ้ยายกตัวอย่างการใช้สีซอเวลาที่เราจะตึงขึง สายสีสอนนี่เราต้องขึงให้มันพอดีถ้าหย่อนเกินไปมันก็สีไม่ได้ถ้าตึงเกินไปมันก็ขาดองนั้นก็ต้องเอามันเอาเอาเหตุเอาผลว่าให้มันตึงพอที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาก็ไม่ถือว่าตึงเกินไปถ้าหย่อนจนกระทั่งไม่เกิดผลก็ถือว่าหย่อนเกินไปดูที่ผลก็แล้วกันดูที่เหตุที่ผลเหตุก็คือความตมึความไม่ตึงผลก็คือ ผลที่เราต้องการคือความดับทุกข์มันเกิดขึ้นหรือไม่จากการรมของเรานี้คำถามจากคุณวิริพนคนที่มีความเพียรมากสักกี่วันถึงจะได้สมาธิครับผมทำมาหลายวันรู้สึกท้อคือมันมันไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ทำทางร่างกายเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าเดินแบบไม่มีสติมันเดินรปจะมันตายมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี คนที่ไม่ได้เดินจงกรมแต่มีสติตลอดเวลานี่ก็บรรลุได้ทันทีเพราะฉะนั้นมั น, ม, นมันมันวัดกันไม่ได้แต่ละคนคือมันมองไม่เห็นไงว่าสติตัวที่ตัวที่เราต้องวัดคือสติปัญญาเนี่ยในใจของแต่ละคนนี่มีมากน้อยไม่เท่ากันและวิธีสร้างสติสร้างปัญญาของเขานี้สร้างให้เกิดเร็วชา้ามันไม่เหมือนกันเพะฉะนั้นอย่าไปดูอเรื่องวันเวลาเลยพระเจ้าถึงบอกไงว่า ถ้าปฏิบัติแนละ้วบางคนก็เจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีอย่านงะนันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะถ้าอานุนเป็นพระโสดาบันอยู่ต้องยี่สิบกว่าปีถึงจะบรรลุได้พาหเฮีนี่ฟังธรรมจากพระเจ้าในขณะบิณตบาตพักก็บรรลุได้เลยพ่อของพระุทเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตาย แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่จะทําให้บรรลุนี้มันไม่เหมือนกันเราดูตัวเราก็แล้วกันถ้าเรายังไม่บรรลุก็รีบหาวิธีทําให้มันบรรลุก็แล้วกันที่เราเดินแล้วมันปฏิบัติเพียงหลายวันแล้วมันไม่ได้แล้วก็ดูที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าเราควบคุมใจเราไม่ให้คิดไม่ให้อยากได้หรือเปล่าถ้ายังคิดยังอยากอยู่มันก็ไม่มีวันที่จะได้ผล โอเคชลานทมศีลังกามีคนมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาที่ถามคำ ถ, ถามเราถ่ายทอดสดนะคะถ้าไปแทนดูเขาแล้วเขาอาจจะเขินเลยไม่กล้าถามหน้าใหม่ต้องมาถามพระอาจารย์ทีหลังนะที่ถ่ายทอดส ด, สดไม่เป็นไรเราทำไมไม่เขินอ่ะคนตอบไม่เขินคนถามยังไม่เขินทำไม <c oughs> ก็ให้คนหนึ่ก็เห็นหน้าเราสิเป็นอะไรไปหน้าเราก็ไม่ใช่หน้าเราอยู่ดีร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรา อย่าไปถือว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นคนรับใช้เราเข้าใจไหเราสั่งให้มันมาถามคำถามคนที่ถามไม่ได้เป็นร่างกายคนที่ถามกือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี้หน้าตาเหมือนกันทุกคนแต่คนรับใช้ผู้รู้ผู้คิดนี้หน้าตาไม่เหมือนกันดังั้นไม่ต้องไปอับอายขายหน้าหรอกเพราะมันไม่ใช่หน้าเราไม่ใช่ตาเราหน้าตาของพวกเรานี่เหมือนกันทุกคน ตางกันทั้งที่สวยไม่สวยอยู่ที่ว่ามีกิเลสมากหรือน้อยเท่านี้ถ้ากิเลสมากก็ไม่ค่อยสวยถ้ากิเลสน้อยก็สวยอ อ, อ, ย อ, อยากจะถามอีกไหมรีไหมอ๋มมอแค่สามข้อก็แล้วกันคําถามจากคุณวรพร เราตั้งใจทำอาหารใส่บาตรครับทำอย่างพิถีพิถันสะอาดทุกขั้นตอนขณะทำเราก็มีความสุขว่าเราทำอาหารถวายครับทาเพื่อการสลัแบ่งปันเมื่อใส่บาตรแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยได้ยินดียินร้ายอะไรจะได้ทุนไหมคะเราได้ตอนที่เราทำแล้วไงตอนที่เราทำเรามีความพิถีพิถันแสดงว่าเราใช้สติใช้ปัญญาแล้วเกิดความสุขแล้ว เพราะที่เราให้ไปนั้นมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําบุญของเราแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยๆก็ไม่เป็นไรคําถามจากคุณคงศจริยาการนั่งสมาธินานๆแล้วเกิดเมื่อยล้าจะเปลี่ยนอริยาบทได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนทําไมหรือไม่เปลี่ยนทําไมทีม่เปลี่ยนเพราะว่าเราทนกับความเจ็บไม่ได้เราต้องการความสบายเราก็เปลี่ยนเราก็จะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วเรานั่งต่อไปได้จนกรทั่งเราอยู่กับความเจ็บได้เราก็จะได้เราก็จะได้ทำํำคือเราจะได้จิตที่เข้มแข็งที่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายต่อไปต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทรมานแต่ถ้าเราลุกหนีลูกนี้อยู่เรื่อยเวลาเจ็บเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยลุกหนีไง <ๆ S 1> มันก็ตามเรามามันก็จะทําให้เราทรมานใจได้ดังนั้นเราต้องหัดอยู่กับความเจ็บให้ได้ ถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้ไม่อยากหนีจากมันล้วต่อไปเราจะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะเราอยากจะหนีแล้วถ้าหนีไม่ได้มันก็ทรมานต่อไปมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ไม่ได้กินยานมันก็ไม่หายมันก็ต้องทำใจอย่างเดียวถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่ทรมานข้อสุดท้ายนะ จุดไหนเป็นตัวบอกว่าเรานั่งสมาธิแล้วตกหลุมตกบอกนะ่อครับก็จุดที่มันตกหลุมตกบอก่อนั่นแหละยังเป็นจุดไหนวถามปัญหาหลอกถามหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นั่งไปเถิดพุทโธไปเถิดอย่าไปคาดว่ามันหล่ะจะถึงบอ่อนะถ้ายิ่งคาดมันไม่ถึงบ่อมันจะหนีเราไปเรื่อยๆพอคิดถึงบอ่อมันก็เลื่อนไปแล้วอย่าไปคิดถึงบอ่อคิดถึงหลุมให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวหลุมกับบอ่อมันจะเข้ามาหาเราเอง เอาท่านี้ก่อนนั้นเหนื่อยแล้วก็วพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด